วัฒนธรรมในการรักษาของส่วนรวม 1. ภิกษุที่นำเตียงตัางฟูกเก้าอี้ของสงฆ์ออกมาใช้แล้วเมื่อเลิกใช้ไม่เก็บเองหรือไม่มอบหมายให้ผู้อื่นเก็บปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งต้องอาบัติ 2. ภิกษุเอาที่นอนของสงฆ์ปูนอนในกุฏิ เมื่อจะไปที่อื่นไม่เก็บเองไม่มอบหมายให้ผู้อื่นเก็บต้องอาบัตร 3. ผนังที่ทาสีภิกษุนั่งพิงโดยไม่มีผ้ารองรับคือพิงด้วยตัวเปล่าเปล่ากราบเงือ่อใครอาจจับเกาะสุขกระกได้ต้องอาบัติ 4. เตียงหรือพื้นกระดานของสง ภิกษุนอนโดยไม่มีผ้าปูหรือสิ่งอื่นรองต้องอาบัดเพราะเหงื่อคลายอาจจับเกาะสกปรกได้ 5. ้าทรัพ์สมบัติของสงฆ์ภิกษุใดภิกษุหนึ่งจะถือเอาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวไม่ได้จะถืออำนาจแจกจ่ายให้ปันแก่ผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขอันสมควรไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี ภิกษุผู้รักษาเรือนคลังของสงฆ์ซึ่งมีชื่อเรียกว่าเจ้าอาธิการแห่งคลังจะต้องรู้จักของที่ควรเก็บไม่ควรเก็บของใดควรจ่ายไม่ควรจ่ายให้แก่ภิกษุอื่น